أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم. ي ع ذ ك م الله أن ت ع و ذ ا لمثله ب د ا يعوذكم الله أن تعوذوا لمثله أبدا. كنتم مؤمنين ويبين, الله لكم وَيُبَينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن ت ش ي ع الفاحشة أن ت ش ي ع الفاحشة في الذين آمنوا أن ت ش ي ع الفاحشة في الذين آمنوا. ا ل ل ه ي ع ل م ُ و أ ن ت م لَا ت ع ل م و ن َ و ل و ل ا ف َ ض ل ا ل ل ه ع َ ل ي ك م و ر ح م ت ه و ل و ل ا ف ض ل ا ل ل ّ ه ع ل َ ي ك م و َ ر ح م ت ه ُ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 サラ um ーム عليكم ورحمت الله و ب ر ك ا a ه พี่น้องที่ร่วมนมาสสุบะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละเราขอบคุณอัลลอฮฺ س ب ح ن ะนะครับการขอบคุณอัลล์นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นหัวใจของอิบะดาห์ท่านอิหม่ามฮฟิสอิบนุคุยม นะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านเชคุลอิสลามอิบูไตมียะรหิมฮุนลอท่านได้เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งพูดถึงเรื่องการรำลึกถึงอัลลอฮ์ผู้ที่รำลึกถึงอัลลอ์เนี่ยมีมาาะไรก้าหยาอยู่พร้อมกับเขาเช่นถ้าหากว่าบ่าวคนหนึ่งของอัลลอฮ์พูดว่า อัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลามาลัยกาก็จะกล่าวต่อไปอีกต่อไปอีกรอบบิลาละมีถ้าเราแปาวว่าอัลฮัมดุลิลลาอย่างเดียวเนี่ยมาลัยกาที่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละก็จะเสริมให้จะต่อไปให้ต่อว่าไงนะรอบบิลาละมี แต่ถ้าหากว่าเราี่กล่าวประโยคนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลาอลมีนกล่าวทั้งจบประโยคเลยมาเลยก็จะกล่าวบอกว่า oh อัลลอฮุมมักฟิรลิอับดิกะอัลลอฮุมมัฟิรลิอับดิกะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานอภัยโทษให้แก่บาวของท่านด้วยเถอเห็นไหมพี่น้องแต่ละคำแต่ละคำที่ออกจากปากเราเนี่ย มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วมาลายกาที่อยู่ที่ตัวเราก็จะชื่นชมเราแล้วขอรูอ้าวจากอัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้กับเรานี่แหละอีกวัดหนึ่งแต่หากใครกล่าวว่าสุบฮานอัลลอฮ์อย่างเดียวอย่างหลังนมาดเรอว่าใช่ไหมสุบฮานอัลลอฮ์ a ุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮมาลากก็จะตออีกว่าบฮมดี ه, วฮวบฮมดีฮีแปลนะ สุบฮานัลลอฮ์แปลว่ามหาบรสุทธิยิ่งแด่อัลลอ์เราชมอัลลอฮ์มาเลกก็จะเสริมตอแปลว่าว่าบีฮัมดีฮีและการสรรเสริญเป็นของอัลลอ์ถ้าเรากล่าวหมดเลยแหะสุบฮานอัลลอฮ์ว่บีฮัมดีฮีมากก็จะกล่าวกับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุมะฟิรลีอาบดิกะอัลลอฮุมฟิรลอบดิกะแปลว่าโอ้อัลล โปอดอภัยโทษให้แก่เบาของท่านด้วยเถิดอีกวนหนึ่งนะครับอีกวัดหนึ่งทากล่าวว่าอัลลอักบาร์ากล่าวว่าละอิลาห์อิลล allah อย่างเดียวนละอิลาอิลล allah มัิกนจะกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ากล่าวลอิลาอิลล allah วอลลอฮอักบาร์ มเัเดกยก็จะกล่าวบอกว่าอัลลอฮุมมักฟื้ลือับดิกะโออัลลอฮ์โปรดประทานอภัยโทษให้แก่ บ, บาวของท่านด้วยเถิดนียสามคำนะอัลฮัมดุลิลลาห์สุบฮานอัลลอฮ์ละอิลาห์อิลลัลลอฮ์นี่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเราเพิ่มได้ความรู้เพิ่มเติมอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ สุภาพนาหูวะตาฮานะครับแล้วอีกคำนึงเรากล่าวกันเป็นประจำแต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าไอ้กล่าวคำนี้มันได้อะไรบ้างเช่นละฮาวล่าวลาคูวะตาอิลลาบิลล่าเวลาเราจะออกจากบ้านต้องอ่านัอ่นบนี้ใช่บิสมิลลาฮิทวกัลตุัลลอฮวะลาฮาวลลาคูวะตาอิลลาบิลล่า แล้วก็อ่านตามนาบีอ่านสอนเนี่ยนะมาดูความหมายนะแล้วก็ดูรา ง, งวัลประโยชน์ที่อัลลอ์จะให้ลาฮาละวลากูวะติอลิลลาบิลลาเนี่ยแปลว่าไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดๆนอกจากที่มาจากอัลลอ์เท่านั้นคือพลังหรืออำนาจเนี่ยใครให้อัลลอ์ให้สาเหตุสาเหตุที่มีที่อ่านอายานี้นะท่านเชค เชคุลอิสลามอิบนูไตมียาซึ่งเป็นอัลลัม่ายสลักเนี่ยนะท่านอธิบายบอกว่าวันที่อัลลอ์สร้างสร้างบอลลังเนี่ยก็สร้างเสร็จแล้วก็อัลลอฮ์สั่งให้มาลายิกาเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนะี่ยให้แบกบอลลังอัลลอ์มาลายิกาก็ถามว่าบอลลังอัลลอฮ์ฉันแบกไหว้ะมันหนักมันใหญ่อ่ะบอก แบกเอให้ว่าตัวนี้ละฮาวลาวะตะอิลลับิลลากนจะแบกให้ว่านี้มาร้าที่มีหน้าที่แบกบรรลังอัลลอ์พอกล่าวคานี้ปั๊บยกง่ายมากเลยละฮาวลลาวะตะอิลลบิลลาเชอัลอิสลามอิบมียะจึงอธิบายบอกว่าพวกเราวันนี้ก็เหมือนกันเวลามีปัญหา หนักๆฉันจะทาไหวหรือเปล่าในงานนี่นี่มันหนักสาหรับฉันนะไอนี่ก็นหนักไอนี่ก็นหนักหนักทุกเรื่องวเรานะให้กล่าวคามี้เยอะๆลาฮาอุลาวกวะตะอิลลับิลลัอะลฮัมดุลิลลาห์สบายใจ่ไหนี่งานพี่น้องพอเราฟังศาสนาแล้วมันอัลลอ์อักุบัมันยิ่งใหญ่เลยเกินะคารับงนั้นอะลฮัมดุลิลลาห์รบบิลอาลมิน ว่าเยอะๆ سبحانallah บิฮัมดีฮีมรัยกะกอัลกุรอานให้เราจากอัลลอฮ์ لا إله إ ى ا, أ ل ال ل ول ه ا ل ه ك أ ك ب ك ا حول ولا قوة إلا ا ل ل ه ทั้งหมดเหล่านีอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งใหญ่นะครับฟิลฮัตต์ละวันนี้เรามาขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ทบทวนอกุรอานเราก็อยู่ในเดือนอันประเสริฐเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานแล้วก็ ทบทวนคุรานที่บ้านของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับวันนี้มาถึงอายาที่เท่าไหร่นะสิบเจ็ดนะครับก่อนอ่านกันไปแล้วนะครับอายาที่สิบหกก็คือวลาเรละอิดสมัยตุมูฮุกลตุมไม่กูนูละอันนตะกะละมาบิฮะะ สุบฮานะกะฮะดาบุฮตานุนอาซิมเมื่อสุเจ้าได้ยินเรื่องเรื่องตำหนิกันเรื่องตักตรามกันเช่นได้ยินคำปักตรามของคนบางคนพวกมุนาฟิกที่ปักตรามกันหญิงไอชะาเนี่ยอย่างเงี้ย หรือนอกจากทั้งหญิงไอาชาก็ได้เป็นน้องจะเป็นใครก็ตามที่เป็นมุสลิมด้วยกันนี่แหละได้ยินคนคนหนึ่งเนี่ยตำหนิคนนั้นดา่าคนนี้ปักปัมก๊มคนนั้นว่าเป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้เนี่ยเราในฐานะเป็นมุสลิมเป็นมุมินคนหนึ่งเนี่ยควรจะคิดยังไงคิดตามอกุรอานให้เราคิดตามอกุรอานคุณอ่านสอนอยังไงถึงไมทำไมท่านไม่พูดว่า สุบฮานากฮาดาบุห์ตานุนอาลิมเรื่องที่คุณพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องโกหกสุบฮานกฮากมาฮาเบสุดยิง่งแต่อัลลอฮ์เรื่องนีน้มาเรื่องโกหกทําไมอะอัลลอฮ์สั่งให้เรานึกถึงมุสลิมในทางที่ดีเอาไว้ก่อนอย่าไปพูดอย่าไปพูดถร้อยพยตามไอ้คนที่มันใส่ร้ายหรือดา่าใครนะ่ะอย่าไปพูดอย่างนั้น ในคัมภีร์คุอานมีอยู่สามอายะด้วยกันนะสรุปนะมีอยู่สามอายะที่พูดเตือนพูดศรัทธาต่ออัลลอ์เมื่อได้ยินคือน้องมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยพูดด่ากันเองพูดตำหนิกันเองพูดปรับปรามกันเองเนี่ยนะครับอัลลอ์เตือนถึงสามครั้งนะพูดแบบไงนะบุะหก เรื่องที่คุณล่ามานี่ยโกหกฉันไม่เชื่ อ, อให้คิดดีเอาไว้ก่อนเรื่องเรื่องที่สองเมื่อได้ยินเรื่องที่ทําลายชื่อเสียงกันของพี่น้องมุสลิมให้พูดว่าไงนะฮะจ า, าบูตานุนอารีมในเรื่องโกหกมหาเป็นสยิ่งแต่อัลลอฮ์พูดคล้ายๆกันเรื่องที่สามอัลลอฮ์เตือนอีกนะเมื่อได้ยินเรื่องราวที่ทําลายชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิม เราเดี๋ยวอบรมให้นึกให้นึกนึกนึกถึงเขาและนึกถึงเราเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันให้นึกแบบนี้มีอยู่สามนึกนะนึกมุสลิมกับมุสลิมนั่นเป็นพี่น้องกันกับราชดินวาให้ดินเหมือนกับเป็นร่างอันเดียวกันท่านอบีพูดอย่างนี้นะครับมุสลิมกับมุสลิมทั่วโลกเนี่เหมือนร่างอันเดียวกันถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดมันเจ็บ ส่วนอื่นๆมันก็เจ็บไปด้วยฉะนั้นไอ้คำว่าสะใจเออไม่มีนะไม่ออกมาจากปากของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าเห็นว่ามุสลิมอย่างผู้ลุีเรียถูกรังแกรายอยู่ตรงนี้ก็ไม่สบายใจมุสลิมไม่พมา่าผู้รงหิงยาถูกรังแกเราก็ไม่สบายใจนั่นเน่ยคือคนมุสลิม น, นะครับที่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยนะพี่น้องอย่าเึกวลืเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กนะมันเรื่องใหญ่นะ ที่มุ right? สลิมซึ่งความรู้สึกอันนี้น่ะอัลลอฮ์สอนในกะเพรีกรุงอ่านอย่างน้อยสามอายา์นะให้เรามีความรู้สึกเป็นห่วงซึ่งกันและกันและขอดุลาอาให้กันตลอดเวลานะอายาที่ส7บเนะครับยาอิซูุมุลลอหุอันตาอูดูลิมิสลิฮิอบดา อิงคุณตุ้มมุ่มนินย้ายดุคุมุลลาอ้วนแต่เงินดูลิมิสเลียอับดาอิงคุณตุ้มมุ่มนินอัลฮัมดุลิลลาห์มาดูสับครับพี่น้องย้ายดุแปว่าตักเตือน ย่าใหดูกุมตักเตือนสูญเจ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงตักเตือนสูญเจ้าอัลลอฮหุอาตบัดอัลลอฮ์เตือนอยาใหดูกลุมุลล้ออัลลอฮ์เตือนในเตือนเนี่ยผ่านนบีนะมหาพวกเราย่าใหดูกุมุลล้ออัลลอฮ์ส่งตักเตือนสูเจ้าอันตอูดูอาอดูอดูป อย่างเอกเนี่ยวันอี ก, ก็ใช้ศัพท์คํานี้แหละเอกอาจจะอยากเอาดูอีนเวร ก, การกลับมาพบกันปีละครั้งละครั้งละครั้งละครั้งอันตาวดูเพื่อไม่ให้กลับกลับไปทําอย่างนั้นอีกอันตาวดูลิมิทลีฮีเพื่อไม่ให้สูเจ้ากลับไปทําเรื่องนั้นอีกคือประพฤติเลวอย่างนั้นอีก ไปด่ามุสลิมแบบเก่าอีกเช่นอย่าท่านหญิงอาชาหัวทาชู้เนี่ยบบอยากลับไปทำแบบนั้นอยากลับไปทำแบบนั้นนี่เตือนนะเตือนมุสลิมทั้งบทที่อ่านคุรานวันเนี้อย่านำเอาเรื่องเก่าๆหล่นนั้นกลับมาทำอีกนะอบัดันเป็นอันขาดกับอบัดันนี่แปลว่าเป็นอันขาดอย่าทำเป็นอันขาด อโลทรงตักเตือนสูตเจ้าเพื่อไม่ให้กลับไปยังเรื่องนั้นคือประพฤติเลวอย่างเก่านั้นเป็นอันขาดแถมท้ายอิงกุนตุมมุมินีถ้าสูตเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต้องถามใจตัวเองเราศรัทธาต่อโลเปล่าถ้าศรัทธาต่อโลอย่ากลับไปทํานะครับนี่อโลเตือนอโลอย่าให้สุกุมใช้ภาษาชั้นเลยนะ เตือนสูเจ้าทั้งหลายอย่า ก, กลับไปทําแบบเดิมอีกท่านทั้งหลายคนที่อ่านกุรานหรือเตือนนบีนะครับผ่านนาบีนี่แหละแล้วก็เตือนพวกเราวันนี้คนที่อ่านกุราน อ, อย่าอายุกูมุลลอัลลอฮฺได้ทรงตักเตือนสูเจ้าทั้งหลายอันเต่าดูมีให้กลับไปทําเรื่องแบบเดินอีกประพูดแบบนั้นอีกตํำนิ ปากปำคนดีๆแบบนั้นอีกอย่าทำนะอิงบิมิสลิฮีอาบดะเป็นอันขาดอย่าหันไปกลับไปทำเป็นอันขาดอิงกุลตุลมุมินีท่าสุเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และก็ุ์อาตาละในทัสสิดอิบนะที่ใบบอกว่าในวันข้างหน้าอ่า อันส่วนนี้อายานี้เตือนเรานะข้างหน้าจากนี้ไปนะอลัลลอฮฺเตือนมุสลิมทุกคนนะอย่าให้เกิดเรื่องทำงองเดียวกันนี้อีกเป็นอันขาพดพญานะาคทำอยู่เวลาเนี่เตือนเรานะลดงานใช่หรือไม่ใช่ถ้าไปยุ่งในเรื่องเหล่านี้นะงานเพิ่มใช่ไหมอัลลอฮฺไม่นั่งดามนุษย์ดีตรงไหนอะ่ะฉะนั้นลดงานอย่าไปยุ่ง ก, ก้วโกหกโกหกโกหจบจบ ไปสนใจไปสนอ่าไปนอนต้องพูดอย่างนี้เลยนะต้องออกจากปากเรามีซอบ้านนาบีคนหนึ่งเชื่ออะไรนะอายุบใช่ไหมอ่าอายุบอลอนๆอรีบ้านหลังนี้นบีเคยไปนอนอยู่ประมาณหลายวันนะครับจนกว่าจะมีบ้านนาบีเสร็จประมันหกเดือนน่ะสร้างสุราโจนเราสร้างบ้านนาบีหลังเล็กๆหลังหนึ่งเนี่ยพญาอายุบกับท่านอายุบพูดถึงทายิงอาชาว่าก็หก อย่างสายร้ายเนี่ยก็หกนี่มันต้องออกมาอย่างงี้นี่พูดมาหนึ่งพันสี่ร้อยปีแล้วฮะเด็กจะมันทึกอยู่เลยใช่ไหมทา น, นเราครอบครัวมุสลิมเราเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยจะต้องมีของดีๆออกจากครอบครัวเราอย่าไปตำหนิใครปักปรามใครว่าใครอย่าอยาอยพอพ่อว่านี่ลูกได้ยินเดี๋ยวพ่อก็ลูกนึก็เป็นสุนัขนาบีนี่ด่าชาวบ้านเนี่ยฉะนั้นก็ต้องระวังนะระวัง ต้องระวังอะไ ร, ระวังเยอะระวังปากด้วยอะไรด้วยยิงเดือนละมาดอนนี่อัลลอฮ์ไปน้องท่าไหร่นะครับถ้าสู่เจ้าเป็นผู้ศรัทธาในตัำสินอธิบายอย่างนี้ถ้าเขาเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สองถ้าเขาเป็นผู้ศรัทธาต่อหลักคําสอนของอิสลามสวัสดีนะอธิสามถ้าเขาศรัทธาให้เกียรติกับรศัศมีของอัลลอฮ์ คำว่ามุมินเองกุลตุล ม, มุมินในตัฟฟิสอธิบายไว้สามอย่างนะหนึ่งถ้าท่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์สองถ้าท่านศรัทธาต่อหลักคําสอนของอัลลอฮ์ของอิสลามอันที่สามถ้าท่านให้เกียรติท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละอิยูฮ์สัลลัมข้าอธิบายอเราให้เกียรตินบีใช่ไหมอ่าทุกคนให้เกียรตินบีหมดเลยฉะนั้นอย่าทำ ให้เกียรติกับคำสั่งของอัลลอฮอย่าทำถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮอย่าทำนะครับให้ทำตัวเหมือนใครนะเหมือนท่านอะไรอายุ อ, อัลอซอรีที่สามีภรรยาคุยกันถึงถิงไอาชาในทางที่ดีหมดเลยใครพูดไม่ไดีก็หกแต่พูดอย่างนี้ออกมาจากปากเราแล้วเรื่องอื่นอื่นอีกนะครับนอกจะยิงไอาชาแล้วนะอาตอมากับ คำว่าอย่าทำเป็นอันขาดเนี่ยอย่าทำตัวเหมือนอับดุลลอห์เป็นหัวหน้ามุนาฟิกที่กุขาวใส่เรื่องไม่ดีให้กับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปักตรคนนะและมีอีกสามคนชื่ออะไรนะฮัสซานคนหนึ่งมิสตอสอีกคนหนึ่งแล้วมีผู้หญิงพ่วงไปอีกคนยชื่อหั่มนะม่ชื่อเนี่ยปันเกียมากต้องข อ, องขอดูหน้าหน่อยนะแต่ AH อัลลอ์อภัยโวษหมดแล้วคนเหล่านี้นะอภัยทษหมด อาตมะอัจจิสิเพตนะครับว่ายุบายยินุลลาหุลักุมุลอา yat วะลาหุอัลลมุนฮะคิมว่ยุบายนุลลาหุลักุมุลอา yat วะลาหุอัลลมุนฮะคิมบายนะยุบายยินุแปว่ บรรยายให้แจ่มแจ้งบรรยายแบบชัดชัด อ, อยู่ใบยินก็ว่าบรรยายแบบชัดชัดอธิบายแบบชัดชัดอัลลอฮฺอัลลอฮฺลลเป็นผู้บรรยายเล่าเรื่องนี้แบบชัดชัดและกุ้มสำหรับหรือแก่สุ่เจ้าทั้งหลายอัลลอฮาาฺแปลว่าองค์การทั้งหลายของพระองค์ อัลลอฮ์ได้ประทานลกรุรานเกี่ยวยัเรื่องเรื่องหญิงไอาชาเนี่ยรู้ไหมกี่กี่อายะห์สิบอายะห์เพื่อจะปกป้องคนคนหนึ่งเป็นพยานาบีนะ่ประทานอัลกรุรอานลงมาถึงสิบอายะห์นออหะอัลละอับันั้นนีอัลลอฮ์ด้บรรยาให้แจ่มแจ้งชัดเจนแก่ท่านทั้งหลาย นะครับและอัลลอ์ทรงบรรยายองค์การทั้งหลายของพระองค์ให้แจมแจ้งแก่สู่เจ้าถ้าว่าเรื่องอธิบายอย่างนี้เขาใจาง่ายเขา้าใจง่ายไม่ได้ยากตรงไหนเลยนะครับวลลอฮฺอาลีมุฮหกกีมอาลีมแปลว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ฮากีมผู้ทรงปริชาญามันก็รู้ทั้งสองนันและอาลีมกับฮักกีมความหมายความคจากฮกกีมเนี่ยมัน มันมันมันลึกกว่านะอาลีมกับรู้มารู้รูทร้ทั้งสองนี่แหละครับคือคำว่าอัลลอ์ทรงทรงรู้เนี่ยอธิบายอย่างนี้อัลลอ์ทรงรอบรู้บบาของพระองค์เนี่ยจะทำอะไรก็ตามแต่อัลลอ์รู้หมดเลยมันมีอยู่อายาหนึ่งเลาสอนอย่างนี้นะครับ ยัซ uh ัลลุมัม ra ฟิซซามาวะทิวัลอาลฺคุลุยามินฮุวาฟิชาเนฮุวาฟิชาเนสุลลาลรัมานายาที่ยี่ยี่สิบเก้าอธิบายอย่างนี้ผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินวอมขอต่ออัลลอทุกขณะพระองค์ทรงอยู่ในภารกิจแห่งการบันดาและบริหารคืออัลลอเนี่ยไม่ได้นอนนะ่ะ ทุกนาทีเนี่ยอัลลอฮ์เฝ้ามองเบาของพระองค์อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ไม่ได้นอนครับอัลลอฮ์ไม่ได้หลับอัลลอฮ์เนี่ยไม่กินไม่นอนจัดอาหารให้มนุษย์แต่อัลลอฮ์ไม่ทานหาคู่แต่งงานให้กับมนุษย์แต่อัลลอฮ์ไม่มีคู่หาที่อยู่ให้มนุษย์ให้อาหารมนุษย์ให้เสื้อผ้ามนุษย์ใส่ดูแลมนุษย์เนี่ยทุกนาทีเลยแล้วก็มีงานใหม่ๆมาด้วยอีกเสริม ให้งานใหม่งานใหม่งานใหม่งานให ม, ใหม่มีมุสลิมอยู่คนหนึ่งร้องไห้เพราะอ่านอญญาย่านี้แหละว่าอัลลอฮ์เนี่ยดูฉันตลอดเวลาเลยร้ อ, รองไห้เลยสแสดงว่าอิมานเขาโล่เข้มข้นนะดูเลยใช่ไหมลาตาคูรูฮูซินะตัวแลน้ำอัลลอฮ์ไม่อมมนอนอัลลอฮ์ไม่งวงนอนทุกนาทีอัลลอฮ์เนี่ยสังเกตดูบา่าขององค์แต่ละคนแต่ละคนเจน็ดพัลนล้านนะคิดดูสิ อา้าให้คนนี้รวย ก, กว่าเก่านิดนึงให้คนนี้มีชื่อเสียงมาก ก, กาว่าเก่าเห็นไหมให้วันศุกนี่เพิ่มบริสกีไปให้คนนี้มีลูกเพิ่มให้บ้านนี้ลูกตายรอ ด, ดูแลหมดนี่ยอายากรอตรงไหนงานี่ยยะสลูฮูมามฟิชมาวะติวัลอ์กุลยามินฮูฟิชะ <c oughs> ที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินวอนขอต่ออัลลอฮ ทุกขณะพระองค์ก็พงวุ่นอยู่กับภารกิจอันนี้แหละเอาให้ฝนตกตรงนั้นให้แดดออกตรงนี้อลัลลอฮฺอักุรรให้ตนมาเจริญให้ตนมาตัวนี้ตายอาลัลลอฮฺอัลกุรรคนที่นั่งจะเกิตถึงอลัลลอฮฺคนที่อัจจิกาที่มัสยิดอลัลลอฮฺมอบรางวัลให้ตลอดเวลาเอาให้ไปให้คนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้อลัลลอฮฺอักุรรบริหารกิจการของอลัลลอฮฺทั้งหมดบนโลกดุรยางไปนี้ นะ <c oughs> อันทีนี้อลัลลอฮ์เป็นผู้วางหลักการอิสลามเอาไว้เนี่ยให้มนุษย์บริหารมนุษย์จัดการเดินตามอัลลอฮ์เนี่ยพขาเรียก ว, ว่านะฮักีมุนวางหลักการเอาไว้โดยรู้ล่วงหน้าด้วยว่ามนุษย์นี่สามารถทําได้หรือไม่ได้รู้ล่วงหน้าหมดเลยนะครับที่น้องอันทีนี้ต้องการจะอธิบายว่า เราเนี่ยพูดของพูดเรื่องคนอื่นเลยเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไ้ยหรือว่าได้อธิบายเนี่ยได้แต่ต้องเป็นเรื่องๆนะไม่ใช่ทุกเรื่องนะยกตัวอย่างมาต่อสิอิมมุลกซิตอธิบายอย่างนี้มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นมุสลิมายู่คนชื่อฟาติมาบินติบินติกอยสบินติกอยในสมัยท่านนาบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยหญิงคนนี้ มหาท่านนาบีคงจะสวยนะผู้หญิงคนนี้นะมีผู้ชายมามาขอสองคนมีผู้ชายมาขอทีทั้งสองคนคนแรกที่มาขอก็คือท่านมูอาวิยะเป็นคนจะได้ยินชื่อนะคนดังคนหนึ่งทางมูอาวิยะเนี่ยนะและอีกคนหนึ่งชื่ออบูญะฮามินรอดิยัลลอฮฺอันฮุมาเป็นซอบ้านนาบีทั้งสองท่านมูอาวิยะ ก็มาสู่ขอฟาติมาบินติโอยสอีกคนนึงอบูยะฮ์มินก็ดิอลลอฮอ้างก็มาสู่ขอท่านฟาติมาบินกอยสนางก็ตัดสินใจไม่ถูกจะเอาใครนะก็เลยไปหาท่านนบีไปทูลถามว่ายาซูและมีผู้ชาสองคนเนี่ยมาขอฉันมาจีบฉันนะนะนบีทั้งพูดบอกว่าอัมมามมอาวิยฟาสุอลลู นาีพูดเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะภาษาดีนะนะมัวอวิยะบป็คนจนหาเงินไม่เป็นอย่าแต่งเห็นไหมมัวอวิยะเนี่ยเป็นคนจนหาเงินไม่เป็นเธอแต่งมันถ้าแต่งก็แต่งเนี่ยบอกให้รู้นะนี่เล่าให้ฟังเหมือนกับอัลลอฮฺวะฮีให้รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงนะบีอัลลอฮ์ร้องให้รู้เลยและผู้ชายคนนี้นะเป็นอะไรนะก็จะว่า หางเงินไม่เป็นบริหารเงินไม่เป็นบอกให้รู้จัดแต่มาแต่งเรื่องของคุณเรื่องที่สองว่าอา ม, มาอบูยา่าเบนอบูจ่าเบิป็นคนอย่างนี้ฟะลาญะบ่าอาัลลอฮูอันอาติกิฮีไม่เคยเอาไม้เนี่ยวางจากมือของเขาเตะเกง่งตบเกง่งตีเกง่งจัดแต่งไ้มาแจ่เชิญตามสบาย นี่นบีสอนให้รู้นิสัยอัคลากแต่ละคนแต่ละคนที่อยู่รอบนบีนบีรู้นะเอาล้อมให้รู้นะใช่ป่ะนี่เตือนผู้หญิงเหมือนกันนะถ้าจะแต่งงานเนี่ยจะแต่งหรือไม่แต่งคิดคิดเองผู้ชายที่หาเงินไม่เป็นเป็นอะไรนะเป็นชาวเกาะตลอดไว้อะเป็นชาวเกาะเมียเนี่ยไว้แหละความจริงมันผู้ชายว่าต้องหาดิสกีเองหาเองหาเงินหาทอง รับผิดชอบอะไรบ้างผู้ชายอย่างหนึ่งอาหารสองเสื้อผ้าสามที่อยู่สี่ปกเก็ตมันี่หา้าอย่าตบอย่าตีตะครกอยาดาเจ็ดอยานี้นี่หน้าที่ของความผู้ชายทั้งหมดนะแต่มูอาวิยาคนนี้หาเงินไม่เป็นล้อาบ้านจาไหนปกเกตมันี่ก็หาไม่เป็นอาหารการกินก็หาไม่เป็นจนเป็ชาวเกาะดูถวายแต่เอาเงิเชิญตามสบายเนยบีศอเนี่ย น, น, นี่กันนี่ก็ พูกเรื่องไม่ดีใช่ไหมของคนอื่นใช่ไหมแต่รบกบถ้าเรารู้บ้านอยู่ใกล้ๆกันก็พอจะมองออกเนี่ยนะถ้าลูกลูกเราเนี่ยดูลูกสาวเรามีผู้ชายบ้านนี้หรือว่าคนที่เรารู้นิสัยนี่มาขอถ้ามันไม่ดีเนี่ยจะบอกลูกเอ้ยไ้าคนใหม่เถอะมึงเห็นไหมนี่นบีต การพูดไม่ดีของอื่นเนี่ยเล่าเป็นคนๆจะไม่จะเล่าทานทีวีนะไม่ใช่ส่งเฟซส่งไลน์อย่างงี้ไม่ใช่คุยตั ว, ต, ว, ต, วตัวอย่างนี้ได้ผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนี้นะลูกนาะหาเงินไม่เป็นนะแต่คนนี้มันเตะเก่งนะหรือ ว, ว่ามันตบเก่งนะแล้วมันตบหน้าเรื่อยโอ้โหอธิบายให้ลูกฟังหรือคนที่มันถามแล้วว่าบ้านนี้เป็นยังไงต้อธิบายให้ก็ฟังได้ด้วยนะอย่างงี้ไม่เรียกว่าเป็น ทำลายชื่อเสียงอวานินธาหรือเขาเชิญไปเป็นพย า, บาพนบมศาลพอนีเป็นยังไงอันนี้พูดความจริงได้เลยเป็นปัญหานะครับอนุญาตให้ทำได้ที่ผมอ่านฮดิดมุสกิมนะฮะดิดมุสลิมนะอัลลอฮ์ขอบ้านแข็งปเปกนนานฮะดิดมุสลิมนะจะนั่นท่านนาบีอธิบายให้ท่านหญิงให้คุณฟาติมะบินถูกอยซินพูดถึงผู้ชายสองคนที่มาสู่ขอว่า ทั้งสองคนเนี่ยช้าไม่ได้ทั้งสองนั่นแหละอาเธอจะสัญญาจะแต่งก่อนได้แกะแต่งไปก่นแล้วกันหนึ่งหาเงินไม่เป็นสองเตะเก่งต่อยเก่งตบเก่งเอาอ่ะอย่างนี้ไปต้นนะแค่ได้ยังเดียวเรายังยังยังไม่พอใจเลยนะครับอะตอมาครับอายาที่สิบก้านะอินนัลลาฮีนัยุฮิบูนันต์ชีอัล فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحب บَุ أن تشيع الفحشة لِلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عذابٌ أ ل ي م في الدّنيا و َ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لا تَعْلَمُونَ اللَّهُ أَكْبَر ทำเยอะๆอาย่ยานี้ดีมากๆครับพี่น้องสอนเราเลยนะพี่น้องนะ <c oughs> อินนัลลาลีนะแปลว่าบรรดาแท้จริงบรรดา <c oughs> ยู่ให้บูนะแปลว่า ช, ชอบชอบอันตาศิยะศิยะแปลว่าที่จะแพร่อชอบแพร่อชอบขยายนะครับ อัลฟาห้ยาเรื่องเรื่องบัตรสีเรื่องเร็วๆวเรื่องตรักปรมเรื่องดา่าเรื่องฟิตนาเนี่ยชอบเอาไปเล่าเจอที่ไหนเล่าที่นั่นเดินไปไหนเจอกนเล่าเล่าถึงคนคนหนึ่งซึ่งเร็วเร็วไปน้องเล่าเล่าเล่าเล่ า, ลาอาลัลลอฮฺไม่ชอบแท้จริงคนที่บรรดาผู้ที่ชอบที่จะแพร่เรื่องหน้าบัตรสีพี่น้อง เช่นยินหญิไอชาเนี่ยเรื่องมันจบไปต่างพันกว่าปียังมีคนด่าอยู่เลยวันนี้มีหรือไม่มีมีครับประเทศไหนพี่น้องคงคงจะรู้มีอยู่ประเทศเดียวเท่านั้นพี่น้องออกออกทีวีด้วยผมมีเพื่อนประเทศเนี่ยหลายคนนะเล่าให้ผูฟังก็ด่าออกทีวีก็เลย <c oughs> ฟินลลีนอาอาโนูสำหรับ ในหมู่พันดาในหมู่ผู้ศรัทธาคือบรรดาผู้ที่ชอบที่จะแพร่เรื่องหน้าบัดเสีหรือเรื่องเลวๆ เ, เรื่องการตัดปั๊มใส่ไรในหมู่ผู้ศรัทธาคือพูดกันไม่ยุยนยันพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกอาจารย์นี่ต้องอธิบายอย่างเงี้ยนะล้ฮุมสําหรับคนคนนั้นสําหรับคนที่ชอบแพร่ข่าวเนี่ยนะนําข่าวไปอธิบายไปดานน่าคนนั่นว่าคนนี้เป็นน้องเป็นยังไงครับ อาญาบุญเขาจะได้รับการลงโทษอาลีมุนอันเจ็บแสบอาลีนแปลว่าเจ็บแสบถูกลงโทษแน่ๆครับพี่น้องแต่ทําไมไม่ถูกลงโทษบนดุลยาใบนี้ละไอ้ที่ไม่ถูกลงโทษบนดุลยาใบนี้เนี่ยนี่อัลลอฮ์สัญญาในกัมภี์กุรานเอาไว้ว่านี่เป็นกฎนะอัลลอฮ์จะไม่รีบลงโทษบาวของอัลลอฮ์ที่ทําความชั่ว บนดุลยานี้อัลลอฮฺจะไม่รีบลงโทษจะประวิงเวลาเอาไว้ใครว่าอินนัมานุ่มลีละหุ่มเราประวิงเวลาให้เขาเหล่านัแนเหมือนกันคนที่ไม่ได้บวชวันนี้อัลลอฮฺประวิงเวลาเอาไว้ก่อนคนที่ม า, มาใจนมาฎวันนี้อัลลอฮฺประวิงเวลาเอาไว้บางคนน บ, บวชอย่างเดียวไม่นามาดมีไหมมีครับบางคนนี่ไม่ได้จ่ายสการมาสิบ ป, ปีมีไหมมีรู้ได้ไง ก็มีคนโทรศัพท์มาถามจา์เอาไงดีเนี่ยสิบปีแล้วชักดาบอากาศของอัลลอ์มาถึงสิบปีวันนี้มาฟังศาสนาต้องการจะเปลี่ยนแปลงเห็นไหมนี่พี่น้องครับไอ้ประวิงเวลาไม่ลงโทษคนไม่จ่ายากาศประวิงเวลาคนไม่นามาตประวิงเวลาคนทำสินาประวิงเอาไว้ไ ม, ไม่รีบลงโทษเพื่อให้เขาได้เตาบ้าตัวต่ออัลลอ์สุบฮานหูละถาว่าดีได้ไม่ดี ดีครับนี่อ่ะประวิงเวลาแต่จะบางคนนะี่ยประวิงเวลาแล้วแต่ยอมตายในสภาพที่ฉันไม่จ่ายสากาดยอมตายในสภาพฉันไม่ยอมเตาบ้าตัวต่อรอมีไหมมีครับท่นนยานอย่ยาให้เกิดขึ้นกับพวกเรานะค น, คนที่ดูทีวีเนี่ยพี่น้องยังไงยังไงก็ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเถอะเอาล็อประวิงเวลาแล้วนะนะครับ อินนัลลทีนัยูฮิบบูนัอันตั้งชีอัลฟาฮิชาตูฟิลทีนัอามานูแท้จริงบรรดาผู้ที่ชอบที่จะแพร่หรือว่าขยายพูดแล้วพูดอีกเล่าแล้วเล่ า, ล า, ลาอีกเรื่องหนะ้บาบัสีเรื่องเลวๆ เ, เช่นนี้ในหมู่ผู้ศรัทธาด้วยกันเองเป็นยังไงครับสำหรับพวกเขาคือ อาดาบุญคือการลงโทษอันอลีมุนแปลว่าเจ็บปวดอัลลอฮฺประเวกเวลาไว้ลงโทษในอาครอนุนอัลลอฮฺไม่นอนอ ล, ลอฮเห็นน่ะทำอะไรกันอยู่นี่ น, นี่กำลังทำอะไรกันอยู่ไอ้พวกเราเนี่ยกาลังนั่งอ่านตัฟซีกันอยู่ปลื้มใจ ม, อ, มใจอัลลอฮฺลื้มจะอัลลอฮฺเล่าข้างบนนะเนี่ยเล่าให้มลายิกาฟังว่าเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งกําลังนั่งอ่านตัฟซีกันอยู่เนี่ยปื้มใจน่ะ แตอีกกลุ่มหน่งกำลังนอนอยู่อีกกลุ่มหนึงกำลังอยู่ในบาร์อยู่นี่อีกกลุ่มกำลังเชียร์ฟุตบอลอยู่ละเล่ามันอังก็คิดดูกลุ่มไหนที่ดีที่สุดก็ อ, อ่านกลุ่อ่านก็รู้เลยนะครับฟิท ด, ดุนยาอาคิรอในโลกนี้และโลกหน้าด้วยใช่ไหมโลกนี้ด้วยกละโลกหน้าด้วยทั้งสองโลกน่ะมาที่อรารยามนังกะเบกุอ่านหล ก, ลกดุนยาอาคิระดุนยาอาคิระ ดุนยาอะคริลสม่ำเสมอคือท่านต้องนองคิดเองบ้างนะ ว, ว่าดุนยากับเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันปัจจัยดุนยาเนี่ยน้อยนิดแต่อารอ์คริลเนี่ยอลัลลอฮฺเตรียมไว้เนี่ยเยอะมากนบะีอธิบายง่ายๆเอามือชีวิตดุนยาปัจจัยดุนยาเนี่ยเหมือนกับเอามือจุ่มไปไหนน้ําในมหาสมุทรแล้วยกขึ้นมาที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วคือปัจจัยดุนยาที่อลัลลอฮฺมอบให้ ส่วนปัจจัยอาคิโรอู่คููในมหาสมุทรนั่งอ่ะเป็นยังที่ติดมาปลายนิ้วนะบ้านหนึ่งหลังเมียหนึ่งคนรถหนึ่งคันมันเดือนสามหมืนหรือห้าหมืนลูกห้าคนก็แค่นี้เองอ่ะกินยาเป็นกบอบแก่ว่านขายมันเอาละไอ้มาไอ้นนิดนึ่อยู่ติดจะไปนิ้วเอง ส่วนอาที่เราเตียวในลีอ่านอะคริลอนอยู่นโอ้โหในมหาสมุทรนั่นต้องนึกแบบนี้แลอ้อธิบายอีกนะบีอธิบายดุนยากับอาคริลอนเนี่ยเป็นรองดุนยาเปรียบเสมือนอย่างนี้ซอบ้านน บ, บีเดินตามน บ, บีกันไปไปเจอแพะตัวหนึ่งเป็นลูกแพะแล้วก็ตายน บ, บีถามซอบา้านเออแพะตัวนี้ใครใครจะเอาบ้างบอกไม่มีใครเอาทํานหนึ่ง ตายสองแพร่ น, นี่หูแหวงหูแหวงด้วยตายด้วยไม่มีใครเอานาบีว่าใช่ไหมขนาดแพร่ตัวเดียวคุณยังไม่กล้าเอาเลยนะดุนยาใบนี้ไม่ต่างอะไรกับแพะตัวนี้นี่นบีสาธิตให้ว่นนะให้บรรดาสาว บ, บ้านนาบีฟังทุกคนเข้าใจเลยเออใช่แต่ว่าอยู่บนดุนยานี่ต้องอยู่ให้สง่า ง, งามอยู่แบบนบีนะ่ะ อยู่แบบซอฮาบานาบีต้องสง่างามแบบนั้นร อ, ออัลกุาะตัดใ จ, จดุญยามีอยู่สี่อย่างหนึ่งผู้หญิงกับเงินสองชื่อเสียงสามเกียรติยศสี่ตำแหน่งนี่ปัจจัยดุญยามถ้าวิ่งหาสี่รายการนี้นะไม่ได้หาอีกห้าข้อนะขาดทุนห้าข้ อ, อได้ว่างอีมานสองตักวสามยาตีน สีาสา่อานหอิคลาสนี่หรายการอีกนบีนำเอามาใจหรายการนี่อัลลอ์ให้ชื่อเสียงเกียรติยศตาแหน่งผู้หญิงเงินแพะแกะวัวควาทยที่ดิ น, นอัลล์ให้ทั้งหมดนี่แหละเป็นปัจจัยดุลยาชั่วคราวแต่หรายการนี้ต้องแสวงหานะจากภีรกุรอานอิมานตะควายาตนอิยาซนอิคลาสและสุนนะนบีอัลลอ หกข้อไปน้องต้องเรียนต้อเรียนนะครับอาจารยะนี่สอนเรื่องอีมานนะสอนเรื่องตักวานะสอนเรื่องซาบัดนะสอนเรื่องอดทนนะสอนเรื่องอัลลอฮ์สอนไม่รู้ว่ากี่เรื่องอาจานี้นี่ไปน้องอาจาย์เดียวเนี่ยศัพท์แต่ละคําเป็นละคํำไปน้องเพิ่มพูนอีมานหมดเลยนะแค่ศึกษาเรื่องดุนยากับอาคือระอยอย่างเดียวในะอีมานเพิ่มไหมเพิ่มแล้วครับนะ ฟิดุญยาวัลอาคิเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์ลงโทษแต่ลงโทษบนดุญยานี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สำนึกมีนักเรียนเด็กคนนมาถามทุกคนเรียนจบไปนานแล้วทราบข่าวว่าเป็นโรคมะเร็งเป็นผู้หญิงมุสลิมไม่เยี่ยมเมื่อวานเลแบบหายแล้วนะเราจะไปเยี่ยมบดี เอาะทำจะได้ละการเจ็บไข้ได้ป่วยถามว่าเอาล้อให้เจ็บทำไมอ่ะไป้องได้ข้อคิดเยอะนะเจ็บไข้ได้ป่วยเอาล้อเตือนคุณทำผิดอะไรบ้างหรือเปล่าทบทวนตัวเองอ่ะเพราะคุณอ่านสอนอย่างนี้ใครที่อัลลอ์ทดสอบให้เขาลำบากมีปัญหาเดือดร้อนอะไรก็ตามแต่นี้นะ ให้นึกถึงตัวเองเยอะๆอว่าฉนเนี่ยทาอะไรผิดแล้วก็ประวิงเวลาไม่รีบลงโทษอันนี้ลงโทษนะแบบไรนะแบบออเดอร์ก็ออเดอร์ใช่ไมล่นะแบบออเดอร์เรียก น, น้อยๆสานึกตัวซะแล้คิดร้องไห้เยอะๆแล้วมันขอหนูอาต่อร้องแล้วก็สํานึกตัวว่าตัวเองทําอะไรผิดหรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมาแค่ปวหัวธรรมดาเป็นไข่เนี่ย ผมนึกตลอดเวลาว่าฤกีที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฮารอง ห, ห, หรือฮาร่าลต้องนึกหรือว่าเราฮารอมหรือภยาเราน่ะทําเรื่องบัตรเสีอะไรหรือเปล่าเรื่องเร็วๆมีไหมลูกทําเรื่องอะไรไม่ดีเข้าพาเข้าบ้านหรือเปล่าต้องเช็คตลอดเลยนะนี่ไงพี่น้องอัลลอฮฺบารี อ, อ, อิสลามน่ะสอนให้เรานึกถึงตัวเองนึกถึงญาติพี่น้องนึกถึงใครแต่ใครพี่น้อง แล้วก็สำรวจดูนะทุกครั้งที่เราได้รับบาลาอุฟิตนะเนี่ยหรือว่าอากรเข้ามาต้องสำรวจดูตัวเองตลอดเวลานะวะแลลลอฮฺย์แกลมูแวนทุมลาแกลมูแลอัล ล, ลอฮฺทรงรู้ขณะที่สุ่เจ้าไม่รู้บางทีทําผิดตั้งเยอะไม่รู้อัลลอฮฺอักบัดซอบ้านอับดีเนี่ยพี่นะ้นอง ถ้าไม่ได้มานะมาทื่อสุราอ่ะถือว่าเป็นความผิดอันยิ่งใหญ่เลยนะแค่ไม่ได้มานะมาสุราแล้วนะโอ้เสียใจอ่ะเราเป็นอย่างนี้บ้างไหมโอ้โยกเว้นคนที่ไม่มามัสยิด 1. ฝนตก 2. ป่วย 3. กลัว 3. อย่างนั่นอัลซอบานอัลเบีอัลลอฮฺพี่น้อง แค่แม่ท่านตักบียรอูลาบางคนก็เสียใจแม่ท่านอิมามตักบียรอูลาไม่ท่านเนี่ยว่าวเราอ่านม า, าแล้วสุร้อแล้วโอ้พึ่งมาจเข้าพึงเดินก็นมาจากมัสยิดทั้งเสียใจนั่นคนที่ในะสมัยท่านนาบีก็ปรับปรุงดูแลตัวเขาเองถึงขนาดนี้นะเอาต่อมาครับพี่น้องคําอธิบายในฮะดิษนะ <c oughs> ฮะดิษในอาย่านี้นะ จะเรีเป็นการตะดีเป็นการอบรมสั่งสอนเรื่องที่สามของอัลลอฮ์ในคัมภีร์คุรานเรื่องที่หนึ่งก็ ผ, 2, ผ่านมาแล้วสองผ่านมาแล้วในเรื่องที่สามนะระวังตัวให้ดีนะอย่าชอบเอาเรื่องคนอื่นไปโพธนาไปเล่าไปคุยไม่หยุดหย่อนสักทีพูดแล้วพูดอกีกพูดเป็นปีๆไม่จบสักทีใช่ไหมเนี่ยอัลลอ์เตือนนะอ่ะทีนี้ ท่านานาบีสอนนะทานอฟิอิบนุกะซิดอธิบายดีเาบอกว่าลาตุอูอิบะดัลลอห์ท่านานาบีสอนนะท่านทั้งหลายอย่าเลยนะอย่าทาร้ายหรืออย่าพูดให้ร้ายเบาของอัลลอฮ์ลาตุอูอิบะดัลลหอห์ที่นบีสั่งนะอยู่ด้วยกันในสังคมเดียวกันเนี่ยอย่าทำลายซึ่งกันและกันเรื่องที่สองว่าลาตัวไอยรูฮุมและอย่าพูดตำหนิ ข้อบกพร่องของเพื่อนของท่านข้อตำหนิข้อโบกพร่องทุกคนมีไหมมีครับทุกคนมีข้อตำหนิหมดเลยเรารู้ตัวเองครับแล้วเราอยากจะให้คนอื่นรู้เรื่องตำหนิของเราไหมไม่อยากให้รู้ไปน้ อ, นองแต่มีบางคนก็ไปพยายามไปหาข้อตำหนิของเพื่อนบ้านมีไหมมีครับ ผู้หญิงบางคนหรือผู้ชายบางคนอ่ะรอชอบพูดเรื่องคนคนอื่นชอบสนใจเรื่องคนคนอื่นนะพิสังยาธรรมวลาตาตุลูบูเอารอตาหุมและอย่าแสวงหาคนหาข้อบกพร่องของคนอื่นอามาดูอีกฟะอินนะฮูมัมตัลยบะอูรัดะอัคฮฮิลมุสลิมผู้ใดที่ชอบสืบความลับข้อบกพร่องของพี่น้องมุสลิม และนำเอามาพูดประจานข้อบอกพร่องของเขาตอลาบัลลอหฺเอาลอตฮูหัตตา ย, ยัฟบอฮฺฟีใบที่ฮีอัลลอฮฺก็จะนำเอาข้อบอกพร่องของเขามาเปิดเผยข้อบอกพร่องในบ้านของเขาเลยภายในครัวเรือนของเขาเลยเอัลลอฮฺก็จะเล่าความไม่ดีข้อบอกพร่องของคนคนนั้นน่ะเอาลูกพยาเขามาประจานข้างนอกเลย ท่านจะไปหาข้อบกพร่องข้อตำหนิบ้านคนอื่นนะครับหรือครอบครัวคนอื่นแล้วก็ดูแลครอบครัวเราให้ดีอย่าอิวัลละดีนะอามุกูอัมฟุสะกุมวะอัลเลกุมนารออบรรดาผู้ที่มีอิบานเดอดูแลตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีอย่าให้ตกนรกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. อภินาอ้ายาที่ยี่สิบ ولو لا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف الرحيم ولو لا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف الرحيم ا, ا, ว่าเลาลาเล่าลาแว่าถ้าหากไม่ใช่และถ้าไม่ใช่ฟ้าดลลอความโปรดปารานของ AH. อัลลอฮฺอาลัยุมแก่สูเจา้าวาระหามาตุหูและความเมตตาของพระองค์อาญานี้ต้องการจะสอนว่าที่เราอยู่ได้วันนี้เนี่ยนะที่น้ำไม่ท่วมเนี่ย ท, ทั้นที่ฝนตกเนี่ย ที่อื่นก็นท่วมเยอะเลยนะรอระบายนี่เป็นความโปรดปรานของอัลละ์นี่ฟ้าไม่พานี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์แผ่นดินทำไมไม่ไหวอ่ะความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วก็เราถือสินอดแล้วลองให้ฝนตกความเมตตาไหมมีความโปรดปรานของอัลลอ์ต้องนุกขับอัลลอฮ์ว่กว่า นี่ถ้ามันเกิดร้องเนี่ยเราก็แย่เนี่ยเด็กๆก็ถือโบสไม่ไหวร้องวัก ah, ว่า น, นี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้เราทำด้วยแล้วเป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานของอ ah. ัลลอฮ์แต่ภรรยาเราไม่ดา่าเรากว่าเนี่ยความเ ป, ปรี้ยงของอัลลอฮ์ภราอ่านกุงอ่านเราก็อ่านกรุงอาน ล, ลูกอ่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เปิป ด, ป ah, เปปดใจอ่ะทำดูดีแล้วเวลาลาฟ้าดุลอ้ายอะไรกุไมแลด้ถ้าไม่ใช่ เป็นความโปรดปานของอัลลอฮ์แก่สู้เจ้าที่จะผู้ศรัทธาเนี่ยนะวรหมาตุหูและความเมตตาของพระองคา์วอนรและนั่นค mm ือ hmm. อ uh um ัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเอ็นดูที่อยู่กันสบายๆแบบนี้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์ได้ร่ออฟุลรนและ่าทรงเอ็นดู ไม่พออีกเราให้มุนผู้ทรงเมตตาต้องการอธิบายอย่างนี้อยายะนี้ต้องอธิบายว่าคนที่เต้าบ้าตัวเท่านั้นอ่าเอาล่อไม่รีบลงโทษอ่าต้องการจะประวิงเวลาไว้ไม่รีบลงโทษเพื่อให้คนเหล่านั้นได้เต้าบ้าตัวอาล่อเป็นทองการเตาบ้าตัวนี่ดีมากนะอ ย, อย่ามองไปเรื่องว่า เ, ออเสียหน้า ไม่ใช่คนยิ่งต บ, บ้าตัวเท่าไหร่ยิงดีทั้งหมดถามว่านาบีกล่าวคาว่าอัสตักฟิรุลลอห์ในวันละกี่ครั้งรู้ไหมเยอะเจดสิบครั้งร้อยครั้งเลยอัสตักฟิรุลลอห์ว่าอตูบุอิไลฉันขอสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ว่าอตูบุอิไลแล้วก็ฉันขอกับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอ์ سبحانه และาลเมื่อวานมีคนมาเยี่ยมผม แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาปลูกบ้านเอาไว้แล้วก็ก็อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไปอยู่ที่บ้านทีหนึ่งก็ไปนม า, าไปอ่านคั ร, ร์อานริกเลอร์ที่บ้านเสร็จแล้วก็มีคนมีคนตายเกิดขึ้นในในหมู่บ้านนั้นนะ่ะหลักล้บ้านที่เขาปลูกนี่เขาก็โทรศัพท์มาขอว่าจะเอาศพ มาไหว้ที่บ้านบ้านเขาเนี่ยได้ไหมครัอบอกก็ได้พ่อแบกไม่ยิดแต่ศพไม่ใช่มุสลิมนะรอบรอลเป็คนกาเฟ่ทั้งหมดเนี่ยแบกเข้าไม่ได้เอาศพเข้าไปบ้านมุสลิมไม่ได้แบกเท่าไรก็ไม่ได้อะต้องเอาวางไว้ขั้งโหนกถามเพ่ออะไร เขบอกไม่รู้พร อ, อะไรผมนึกถึงมีอาหรับอยู่คนหนึ่งมาเยี่ยมผมเมื่อสักยี่สิปีที่แล้วเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นในประเทศซีเรียรที่ส ง, งคารามกันวันนี้มีอยู่คนหนึ่งเป็นมุสลิมแล้วมีอ า, าศาสนาทมตัวเละเทะตอนตายปรากฏว่าแบกลงมามัสยิดเข้ามัสยิดไม่ได้ ลงมันเบนออกลงมเบนออกเหมือนมเมลิกาไม่ให้เขา้าเห็นไหมก็นึกถึงะดีศ้ศอีขดี้ศหนึ่งนบีมีชายคนหนึ่งรับอิสลามในะสมัยนบีเสร็จแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ดีนะนบีก็แต่งตั้งให้เป็นอะไร น, นะเป็นกาติดเป็นเลขาบันทึกอัลกุรอานมีประมาณเป็นสิบคนนะ่ะ คนนี้มาเป็นมุสลิมระมาสักสองปีสามปีเขียนุูอ่านได้สองซูรอบักรอ ก, กับอานอิมรอนเสร็จแล้วก็ลาออกจากอิสลามตกมุดตัดพอตกไปแล้วเนี่ยก็ออกไปก็ตำหนินบีด่านบีว่านบีตำหนินบีสารพัดเลยพูดพูดสามเสียหายอ่ะนบีพูดแล้วว่าตอนตายอัลลอ์ไม่รับแผ่นดินไม่รับเวลาเขาตายแผ่นดินไม่รับ บีพูดแค่นี้เองต่อมาอีกแปดเจ็ดแปดปีชากวนีตายพอตายเสร็จแล้วนะก็ฝังตามพวกยโฮดีนัส ร, รอนะีน่ะพอตื่นชาโวลมามายึดมาอยู่ข้างนอกแผ่นดินไม่รับจริงๆนะ่ะพวกนี้ก็พูดว่าเนี่เป็นฝีมือของมุฮัมมัดอัลลอ์เอาก็ญาติพี่น้องก็ขุดลึกก็ากาวเอกวันที่สอง มายึดมาอยู่ข้างนอกอีกก็พูดใหม่นี่เป็นฝีมือของมุฮัมมัดและสฮาบะอ้าวันที่สามก็ขุดลึกกว่าเก่าอีกวันที่ 3, สามโสดก็มาอยู่ข้างนอกพอวันที่สานะ่ยพูดใหม่แล้วนะนี่ไม่ใช่ฝีมือของมุฮัมมัดไม่ใช่ฝีมือของสฮะบะแต่เป็นฝีมือของใครของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตานาลาได้ลปล่อยทิ้งไว้เลยพี่น้องเป็นเป็นเรื่องน่าคิด ทำไมอ่อนไม่รับทำไมแผ่นดินไม่รับทำไมจะเอาสวดไปไว่าตรงนี้ทำไมเข้าไม่ได้เพราะอะไรประตูก็ใ่ายี่นี่เป็นข้อเตือนใจเพราะอะไรก็ขอให้เราคิดดูเองกันแล้วกันว่าอะไรบนดวงใจนี้อ่อนไม่นอนอ่อนไม่ง่วงนอนอ่อนไม่รับเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบ่าวคงจะทำยังไงบ้างนานๆจะให้เกิดเรื่องอย่างนี้ทีหนึ่งเพื่อคนจะใช้ปัญญาได้คิดอันนี้เป็นต้นนะขอขอตืยด ให้กำลังใจท่านพี่น้องนะครับทีนี้อาย่านี้จะเน้นเรื่องเต่าบ้านะการกลับตัวสารภาพผิดการเต้าบ้าตัวเนี่ให้ทำห้าข้ออุล玛อธิบายนะข้อที่หนึ่งาเรียก อ, อัดเต้าบ้าแปลว่าอันนาดามให้เสียใจนะเรื่องที่สองให้ถอนตัวออกจากความผิดเรื่องที่สให้หันไม่หันกลับไปทําความชั่วเหมือนเดิม ข้อห้าเนี่ยให้อยู่ให้เลือกอยู่ร่วมกับคนที่ซอแหละคนดีๆในหมู่บ้านเราเนี่ยพอหาได้ใช่ไหมแต่ลราอยู่กับกลุ่มนี้แหละเพราะว่ามามัสยิดอนี่แเราเจอกลุ่มคนดีเยอะนะทำโดยดีละข้อที่ห้าเนี่ยให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมศึกษาวิชาอะไรครับคุรานกับสุนนนบีแค่นี้เองอิลมุนยุนตะฟองบิความรู้ที่มีประโยชน์นะครับ เนี่ยศึกษาอัลกุรอานความรู้จากกุรอานนะครับแล้วก็ความรู้ที่ผ่านสุนนะนะนบีผ่านฮะดีษเนี่ยเป็นต้องกลายอัลลอฮ์เป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับไปน้องก็เรื่องเตาบ้านนะเน้นเรื่องเตาบ้านนะเตาบ้านนี่อัลลอฮ์ดีดีที่สุดไปน้องเพราะนาบีเนี่ยจะเตาบ้านตัวต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งเท่าไหร่นะอัลลอฮ์เป็นร้อยๆนะครับกนะ ล, ล่าวว่าไงนะอัสลามุอวะลัย อัสตะฮฺฝิรุลลอฮฺว่าอตูบุญิลยรวมไปถึงในพี่น้องที่เรานั่งประชุมกันอยู่นี่นะน บ, บีสอนอย่างนี้นะใครที่นั่งประชุมกันหรือว่านั่งอ่านคุรานกันนั่งหาความรู้กันพอเลิกแล้วเนี่ยไม่รำลึกถึงอัลลอการนั่งประชุมของเราเหมือนกับนั่งกินอะไรเนี่ยกินซากสัตว์ที่มันตายแล้วถ้าพี่พูดหนักนะฉะนั้นก่อนจะจบใครว่ายัางไงนะ سبحانكاللهما وبحامديك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي ทุกครั้งที่ประชุมที่มัสยิดก็ดีประชุมเรื่องโรงเรียนก็ดีอยู่ในครอบครัวเรากัน 5-6 คนในบ้านเนี่ยหลังจากประชุมกันต้องประชุมกันเวนะว่าวูลเนี่ยจะเอาอาหารอะไรมาละละเส้นอดนอกจากอินผัลามกับน้ำจะมีอะไรอีกมไหม แม่ต้องนั่งประชุมเรียกลูกมาจะทานอะไรอ้าวมีแกงพิเศษไหมอ้าวมีต้มยำํำอ้าวต้มยําคุยกันในครอบครัวพอประชุมก็คาร์กอุลอานด้วยอ่านาอุลอานทงสองอายะอ้าวคนนี้อ่านอ่านทุกคนนะนะั่นแหละแล้วคนที่มีความรู้มากหน่อยก็อธิบายความหมายของอักุอรอานให้คนในครอบครัวฟังก่อนจะจบก็สุบคะนกากอลฮุมมะวะบีฮัมดิกะ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و ا ت و ب إليك ก็ขอจบแค่นี้นะครับ سبحان ุลลอฮฺบอกว่ามิฮัมริกะาะลลอฮฺอิลลัลลอหฺอันตะอัลตักุลกวาตุบุลเลัยก